าการปฏิบัตินี้บางทีแดดกลมลุ่นด้วยก็ดีรรโอ้ดีกรรมฐานอะไรที่เคลื่อนไหว อ, อดีดีกว่ากรรมฐานนิ่งนิน่ถ้าเดินได้ก็เดินไม่ได้ถ้าเรานั่งอยู่เนี้ยเรากระตุกกดิกก็รู้สึกแวะนะมันก็เหมือนเราเดินสงกล่นั่งอยู่ก็ใครกระตุกกดิกไวะไงั้นเราจะกระตุกดิกเตือนเตือนเลยมันเตือนเตือนใจมันหนีไปี่อื่ แล้วอเราเคลื่อนไหวเราเป็นจุดิกเนี่ยเราฝัรู้สึกตัวหัวใจสําคัญของการปฏิบัติคือฝันรู้สึกตัวการเดินจงกรมก็ช่วยกระตุ้นฝันรู้สึกตัวได้ได้ดีแต่อยู่ในอินทิยาบมดอินก็ต้องรู้สึกนี้ถ้าเดินจงกรมแบบช้าช้ารู้สึกตัวแบบเวลาเคลื่อนไหวเราเรู่รู้สึกตัวอีกแบบหนึ่งแต่ก็รู้คือรู้สึกช้าช้ามันคแกล้งรู้สึกนั้นตองระวัง ความรู้สึกที่สปีดปกติดีที่สุดหรือช้ากว่าปกตินิดหน่อยอย่ายุดเยอะแล้วเนีน่ยมีช่องโหวง่เดยจิตหนี้ไปเที่ยวถ้าเดินเร็วมากๆก็ดูไม่ทันก็หลุดกับอีกจะเดินช้าๆมาาันจะซึมบางสำนักท่านก็เดินเร็วสายท่านสากเดินนโครงคามกรูกราบแล้วแลาทาแบบ บางครั้งผมเกือบจะวิ่งเลยเพรรู้สึกกลัวเหมือนกันมีมีบางข้อที่ผมเดินเร็วเพราะว่าเป็นนักเดินเร็วมาก่อนตอนเดินเร็วจริงๆก็รู้สึกกลัวเหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนยังต้องดูของจริงๆนะจะเดินให้ดูเดินเทาไหร่คือจุดใหญเราไม่ได้ฝึกเอาคํามถับนะเราทําสติปัฏฐาน เรียนสุมรมก็สติปัฏานนะรู้ความเคลื่อนไหวของกายเราฝึกเพื่อให้รู้สึกตัวถ้าเมไหร่จิตตั้งมั่นจิตมีความรู้สึกตัวเราจะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั้นจิตปั๊บปับบบ๊ไปนานๆเกินหนม่งนี่อย่าให้เผลอสติบัฏฐแล้วกเผลอคนะือหลงเลยสุดใหญ่ที่ว่าเนี่ยขนาดเนี้ ร, รู้สึกเขื่อหรือยังสมุนที่ว่าสมุนรู้สึกตัวอย่างตอนนี้กำลังรู้สึกใช่นะไหมใช่รู้ไหมว่ามีการกระทั่งางใจอยู่มีกา ร, ร, ก, ารากระทับกระฟองการระมัดระวังอย่านี้นโยนทิ้งไปเลยตรงนี้ของที่เราสร้างขึ้นมาความรู้สึกตัวจริงๆนะสบายกว่านี้นี่อืดๆรู้สึกไหม นี่ของปลอมนะที่เอาอย้นทิ้งไปเลยการรู้สึกตัวจริงๆจะพูดเข้าใจยากมากจิต ท, ที่มีความรู้สึกตัวคือจิต ท, ที่มีสัมมาสมาธิความตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นโดยไม่ได้บังคับตั้งมั่นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิบ้างของสติปัญญาบ้างคือเคยได้ยินใช่ไหมใ ส, ส่สิกขาใส่สมาธิปัญญาคือก่อนที่จะ ในเจริญปัญญาี่จิตต้องตั้งมั่นสมาธิแล้วความตั้งมั่นไม่ใช่แค่ว่าสมบูรณความตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการจงใจไปตั้งไว้อย่างนี้อันนี้เป็นจงใจไปตั้งนั้นจะแข็งแข็งจะห น, หนักหนักทื่อๆหน่อยหนึ่งนะไม่เป็นธรรมดาวิธีทําจิตให้ตั้งมั่นมีสองวิธีวิธีหนึ่งทําฌานเลยซึ่งบางทีเราทํายากไม่มีเวลามีแต่เรื่องต้องคิดวุ่นวาย ถ้าเราทําความสงบขึ้นมาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ลลเป็นหนึ่งตั้งมันเท่ากับเราสามารถถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความขึงแข็งออกจากกองคุกในชั่วคราวธรรมดาเลยเขาไปเกาะ อ, อยู่เนี้ยเกาะ อ, อยู่กับเกาะกองคุกแน่นเป็นก้อ น, อ น, อนถ้าทำสมาธิจิตถึงสมาธิจริงๆเองถึงฌานจริงจะมีถอดถอนขึ้นมะเป็นผู้รู้ผู้ดู เราจะเห็นว่าปีติดเกิดแล้วก็ดับไปสุกเกิดแล้วก็ดับไปเห็นอุเบกขา่าเนี่ยถัดจากนั้นพอออกจากสมาธิจิตเริ่มเคลื่อนเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์นั่นแหละเราจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นชัดถ้าเราเคยลองตัวจะท่อ ง, งทุกข์มีวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือให้สติของเราเนี่ยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิต ท, ที่หลงไปจิตที่ไหลไปแอบไปทํางาน ทางตาหมูกลิน้นกาใจต้องรู้ทันจิตที่แอบไปทํางานนะไม่ใช่พามันไปทํำซะอีกสมบูรณ์หรือไปว่าพามันไปทํำอยู่โยวชิ้งปไปเลยเนี่ยของกลอกมันหลอกเราเนี่ยตัวสมบูรณไทยนะไม่ใช่ตัวปัญญาเนี่เป็นตัวไปสร้างภบสร้างชาติคำว่าภบก็คือการทํางานนั่นเองชื่อเต็มเต็มของภพคือคำว่ากรรมภพคือการทํากรรมทางใจนะนะั่นแหละเราเลืกว่าดีนะ จิตเราไหลเข้าไปข้างในส่งเข้าไปข้างในแล้วก็ใจ ป, ประคับประคองใจนิ่งๆปรึงเอาไว้ข้างในไม่ไปทํางานอยู่ข้างในทํางานคือใจประคองให้นิ่งๆไว้ใจก็จะเกิดความทุกขึ้นมาเกิด ค, ความพุกข์คือมันหนักๆมันแน่นๆมันแข็งๆขึ้นมาถ้าทุกข์ยากกว่านี้ก็คือทุกข์อย่างที่คนเคยรู้จักกันอันนี้ทุกข์เล็กทุกข์น้อยจิตแอบไปทํางานก็ทุกข์แล้ว งั้นให้รู้ทันจิตที่หลงเข้าไปข้างในนะไม่หลงเข้าไปเพล่ใจเราตั้งมั่นเอามาพอจิตเราเคลื่อนเข้าข้างในเราจะเห็นฟุกษาเหมือนกับพวกที่ ท, ท, านนะทําฌานในจิตปลอดขอลงไปชั่วคราวจากความฟุกพ้นฟุกชั่วคราวด้วยกําลังของสมาธินะด้วจิตที่ตั้งมั่นหลัดจากนั้นพอจิตเคลื่อนเข้าไปทํางานข้างในงเราจะเห็นฟุกนี่ปัญญามันเกิดเพราะว่าจิตตั้งมั่น ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ก่อนจิตเราจมอยู่แบบของทุกข์มาตั้งแต่แรกเราจะดูทุกข์ไม่ออกอย่างเงี้ยจะดูไม่ออกแล้วรู้สึกว่าเออมันก็พื่อๆ อ, อยู่เงี้ยแต่ดูไม่ออกก็าหมือนทุกข์ะถ้ามันไม่ได้ขอนออกอาก่อนถ้าฉะนั้นเวลาเราพุทธเจ้ า, จาสอนสีวสิกขาสอนเรื่องศีลทำยังไงเราพึ่งทางกายทางวาจายังไงไม่ก่อเรื่องมารบกวนใจเยสมาธิหรือจิตสิกขาฝึกจิตยัยงไงให้จิตตั้งมั่น จิตตั้งมั่นมีสองงานนะสมถะาญานี้กกวิปัสสนาญานิกวิปัสสนาญาน น, าานี้เีิยใช้สติเรารู้ท่านจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นถอนถอนขึ้นมาในสภาวะอย่างเดียวกันาจากนั้นเราถึงจะถึงปัญญาติกขาคือใช้จิตที่มีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้รู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเพียงแตเห็นรูปนามเป็นกงกุ๊ก เพราะฉะนตัวสําคัญที่พวกเราต้องทําความเข้าใจให้ได้คือทํายัางไงจิตจะตั้งมั่นจิตจะรู้สึกตัวถ้าสํานวนทางหลวงเขาเพี่ยนก็รู้สึกตัวสานวนทางเซงก็ตื่นอันเดียวกันาดจิตหนีไปฝันทราบไหมจิตแอบไปคิดไหมอย่างนี้นเหมือนกับเราฝันไปเราตื่นแต่ตัวที่ใจเราฝันและใจเราไม่ตื่นทําไงจะตื่นทั้งตัวตื่นทั้งใจ นั่นแหละเรียกว่ามีจิตที่สื่นขึ้นมามีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่รู้สึกตัวอาจจะนั้นพอจิตเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้ความรู้สึกตัวเกิดเนื่องๆเช่นเราเราเดินไปจะพูดจะเหยียดจะขยับไปยื้อนอะไรไมคอยรู้สึกตัวใหม่ๆก็จงใจรู้สึกตั้งใจไว้ก่อนว่วถ้าเคลื่อนไหวถ้าเดินเราจะรู้สึกตัวไม่ให้ใจลอยมาพอมาพอเราเหลือตัวพอเราขยับตัวว่า สติจะเกิดเองจะเกิดความรู <unterschied northern Horn ets> yourself, ้สึกตัวขึ้นมาเองเละเนี่ยใช่ไหมครับมันหนีไปแล้วงูก็หนีนะยังตายอยู่มั้งเนาะเอ้รังบวยปล่อยมันหนีไปนิดนึงรึออกไหมให้มันทํางานไปอย่าไปตรึงนิ่งๆนะปัญญาเกิดจากการที่เราเห็นว่อกายกับใจมีของเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอย่าไปตรึงให้นิ่ง การที่จะให้จิตตั้งมั่นเป็นอันหนึ่งนะต้องรู้สึกตัวแต่พอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยจะเอาจิตจี้เข้าไปข้างในกดเอาไว้ให้ทุกอย่างนิ่งอยู่ข้างในใช้ไม่ได้ไม่ใช่การเจริญสัจจะเปการไปเพ่งทางของเรือสีจิตไปคิดสร้างไหมจิตไคิดเหอเห็นไหมมันรู้สึกขึ้นแว๊บหนึ่งแล้วมันไหอีกแล้วรู้สึกไหมจิตมันยังหลงอยู่นะจิตต้องตั้งมั่นต้องรู้สึกขึ้นมาให้ได้ โอ้ยยังไจับปูงไปกระสุงหงนีหมดเลยหลวงพูดเคยทําได้ดีกว่านี้คแต่เเร่งความเพียรมาหรือเปล่าเร่งเกินนั่นแ่ะเร่งความเพียรเร่งคงรับ เ, เ, เร่งความเพียรถึงรู้สึกตัวได้เรื่อยรตัวบ่อยๆไม่ใช่นั่งเฝ้านั่งเฝ้าอย่างนี้ไม้ได้นะเสียหายหมดเลยมันเป็นการแกล้งทำเริ่มต้นคือมีตัณหาอยากปฏิบัติ เรมีป so ัญหาเปิดการกระทำคือเกิดพบพบคือการนั่งเจ้าเจ้องไว้อยู่ซึ่จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหรอกทุกอย่างนิ่งหมดนะหนักหนักแน่นแน่นทื่ออยู่นั่นเองเพราะใจเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นแต่เราถล่มลงไปจ้ามันมันมีความสุขมันก็เหมือนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากับกําวนมันจะสะดุ้งตื่นจริงๆเสร็จ ไม่มีทราบอธิบัายไม่ถูกว่ามันคือภาว่าอะไรเกิดขึ้นเลยนให้รู้ที่ใจเราส่วน<อ>สะดุ้งตื่นแล้วจะทํำไงต่อรู้เล ย, จยใจสงสัยอีกแลว้ว่าจะทํำยังไงต่ออะไรเกิดขึ้นเลยให้ย้อนมาดูที่ใจเราแต่อย่าไปเฝ้าที่ใจไว้ก่อนต่วนี้สําคัญนะอย่าไปเฝ้าที่ใจไว้ก่อนอสะดุ้งก็มันรู้สึกว่าสงสัยว่าจะทํำไง ใ, ให้รู้สงสงัย คือจิตเกิดปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นการสะดุ้งเป็นสิ่งที่จิตรู้เป็นอารมณ์พอสะดุ้งแล้วจิตเกิดปฏิกิริยางสงสัยรู้รงสงนสะัยคือวิปัสสนานเราต้องรู้กายรู้ใจรู้ใจรู้ใจไปเรื่อยๆนะจิตใจเนี้วิธีรู้ใจต้องตามรู้ห้ามจ้าไว้ตัวนะจิตตาลุกปัสสนาชื่อมันบอกที่พ่ออยู่แลนะ้วนคือ อนุปัสนาปัตนาการรู้การเห็นอนุเวตานะตามรู้ตามเห็นจิตอยู่เนืองเนืองตามรู้ตามเห็นเมตนาเนืองเนืองตามรู้ตามเห็นรูปสือ ก, กายอยู่เนืองเนืองนะต้องตามรู้อย่าห้ามห้ามไปตับไว้ก่อนสมบูรณ์ไปจ้องไว้ก่อนนะไม่ได้นะมีการปฏิบัติเนี่ยจับหลักขึ้แน่นเราจะรู้กาย ร, รู้ใจนะไม่ใช่รู้อันผีงั้นอย่าง เคยเล่าพวกที่มาบ่อยๆจะได้ยินเรื่อยๆช่วงหลังจะเล่าเรื่องนี้ด้วยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดมีผู้ชายคนหนึ่งอมาเรียนฟังอย่างเราเนี้ยพอสิบโมงก็คลานเข้ามาผมเข้าใจการปฏิบัติแล้วนะวิธีปฏิบัติก็คือถ้าผมเดินออกนอกตลาได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าหอมเนี่ยพูดอย่างมั่นใจบอกไม่ใช่แล้วคุณเข้าใจผิดร้ายแรงแล้วดอกไม้หอมไม่ใช่กายไม่ใช่ใจนะ ต้องรู้ที่กายที่ใจของเราเองไม่ใช่รู้ที่ดอกไม้หอมนะเพราะฉะนั้นจะออกไปได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าชอบใจมันสงสัยว่าจะอะไรรู้ว่าสงสัยใจมันอยากจะเด็ดรู้ว่าอยากเด็ดมือเอื้อมไปจะเด็ดรู้ว่าลูปอีกเคลื่อนไหวไปแต่ทีนี้เรียกรู้กายรู้ใจไม่ใช่ได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าหอมนะเห็นคนเดินมารู้ว่ามีคนเดินมาอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะหมาแมวมันก็รู้ นั่นเราด้วยถึงจิตถึงใจของเรามีวิธีรู้ให้ถึงจิตถึงใจไม่ใช่นั่งเฝ้าถ้าสมบูรณ์เจ้าที่ใจ ع, นะจ๊ะเราเดินเปิดประตูดได้กลิ่นตับไม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจก็คือนพื้อยูน่นันงั้นห้ามเฝ้าไว้ก่อนให้เกิดทบอารมณ์ตามธรรมชาติที่สุดเลยอย่าไปแกล้ง เปิดประตูไปไม่ได้จงใจเลยดอกไม้หอมแหมมันดอกอะไรนะอยากรู้รู้ว่าอยากรู้เลยหอมแล้วมันชอบราคาดเกิดล้ะรู้ว่าราคาดเกิดเราะงั้นห้ามจ้องนีดก่อนแต่ถ้าเราเผลอเราใจลอยจับใจลอยไหมเราใจลอยเราก็ลืมกายลืมใจนิดออกไหมถ้าเราใจลยเราลืมกายลืมใจเช่นโอ้ดอกอะไรนะหอมโอ้ใจหนีไปอยู่ที่ดอกไม้แล้วลืมกายลืมใจตัวเอง นี่ขาดสติมีสติก็คือให้คอยระลรูกร้กายรู้ใจของเราเป็นช่วงๆห้ามเป้าไว้ห้าจ้าไว้ก่อนคอยดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยๆอย่างเรานั่งเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกไหมเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกนะนี่ก็ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงลนะเดี๋ยวก็เมื่อยต้องขยับตัวไปขยับตัวมามันก็ต้องเปลี่ยนแปลง จิตใจนะ่ะวิธีดูจิตใจกนะ็คือคอยรู้ความรู้สึกในใจเราความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นแรงตามสิ่งเร้าที่มากระทบสิ่งเร้ามาทางตาซึ่ง เ, เ, เ, เห็นสาวสวยเดินมาจิตเกิดราคะสั่จิตมีราคะเห็นสาวผู้เกิดปฏิญาให้รู้ไปที่ใจเราก็จิตมีราคะจะไม่รู้ชื่อก็ได้ไม่เป็นไรรู้ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแนละ้ว ใครก็มความเปลี่ยนแปลงง่ายๆสมมติะเป็นปจองก่อนนะยังไม่หลุดเลยรู้ไหมปติเสธา็แล้ว <c oughs> สมรรเนี่ง่ายที่สุดเลยสมรรษกับสามัญที่ก็ไม่เหมือนกันนะสมรรษานี่เป็นการที่น้อมใจให้ไปจอดในอารมณ์ันเดียวอย่างต่อเ น, นื่องจงใจทำนะทายังไงถึงจะเกิดความสงบนะ่ะทําเล่นๆเคล็ดลับแตะเล่นๆดูเล่นๆมืเสียเ้ยก็สงบส่วนสามัญที่คือความตั้งมั่น จิตที่ตั้งมัน่นคือจิตที่ไม่ไหลไปจิตที่ไม่หลงไปอย่างเงี้หนีไปแล้วใช่ไหมจิต ม, มันหนีไปเห็นมันไม่ตั้งมัน่นมันไม่อยู่กับเนื้อตต er ัวเพราะงั้นเรามีหน้าที่ทําจิตใจให้อยู่กับเนื้อตัวเรื่อยๆเราก็จะรู้กายรู้ใจเวลาใจเราหนีไปเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เราลืมรู้อย่างตอนเนี้ยเราหนีไปคิดนึกออกไหมตอนหนีไปคิดเราลืมรู้กายรู้ใจของเราเพราะงั้นเราใช้มันรู้สึกตัวไปอย่างเงี้ย ยังนีเจกคิดอีกล้าทราบไหมหมันจะลอยไปเออลอยไปเพราะฉะนั้นรีบรู้ไหวมๆว่าลอยไปรู้สึกไหมว่าจิตใจตรงนี้โล่งว่างเบิกบานแจ่มใสไม่มี อ, อะไรเจือปนนะจิตเดิมมันจระพัดสอนอย่างนี้เองแล้วมันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่มันผ่านมาเป็นตาวๆอย่างนี้โมหะมาแล้วหลงไปละหลงก็คือลืมรู้การู้ ใ, ใจของเราเองนะเรียกว่าหลง เออนะมีแต่รับรู้ทันไม่ว่าอะไรนะต้องหลงไม่หลงไม่ได้เป็นยังวันเลยครับเป็นอย่างนี้ทุกคนด้วย <c oughs> นะรือเขเป็นอย่างนี้มาตลอดในสังสารวัฏแต่ว่าเจ้าของไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะจะถามบอกว่ารู้ตัวไหมก็ไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่มีใครเชื่อนะถาว่าพราองา์ น, นี้ใส่ร้าย อย่างานรู้สึกตัวอยู่นะเนี่ยกาลังโมโหกล่านอยู่เนี่ยงไม่มาสมาพูดให้ตลบตลบสุดแล้วจิตใจผ่อนคลายเหมือเรื่อคอยรู้อย่างนี้ให้มันจะทบอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะกระทบไปแล้วก็จิตใจมันเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้ไปในที่สุดเราก็จะเห็นว่าเออร่างกายก็ไม่เที่ยงนะจิตใจก็ไม่เที่ยงนี่เห็นไตรลักษมันคนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ ที่สําคัญคือบังคับไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็สุขเดีย๋ยวมันก็ทุกเดียเด๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็รายนี่คือการเห็นธรรมะนี่เราจะเห็นใจรักได้เราก็ต้องเห็นตัวจริงของรูปธรรมนามธรรครับคือเห็นกายเห็ใ จ, ใจถ้าเผลอใจลอยอย่างเนี้ยก็ลืมกายลืมใจนึกออกไหมเห็นไหมว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ยากหรอกถ้าไม่คิดมากไม่ยากคิดมากยากหนาสมบูรณ์ไม่เอานะอยากขยันนะ สมบูรณ์ต้องใจถึงนะเพราะว่าเราเป็นผู้นําผู้คนมากมายงั้เราก็ต้องเล่งความเพี้ยนอย่า ง, งเพีย้ยนะคือพอเป็นอาจารย์เป็นผู้นําเนี่ยนะมันขี่หลังเสือเป็นยากหลายคนเลยที่ลงไม่ได้ขึ้นหลังเสือเนี่ยต้องคนกล้าหาญนะคนลงจากหลังเสือเนี่ยต้องกล้าฝ <c oughs> ่ายไม่เคยมีใครแบบเอออย่างงั้นเลยไม่เหมือนกันดูออกไหม ลงไปอย่างหลังเสือเลยไม่ต้องวางปอ่ปลาอยมันจริ้งไปแล้วรู้สึกกลัวในระหว่างที่เกิดอาการขาเม็ดชัยมันรู้ว่านี่คือร่างกายโดยที่มันเป็นร่างกายสิงเรีเป็นวัตถุเออแต่ในขณะเดียวกันมันรู้สึงมือธนาที่จิตด้วยมันแบ่งออกเป็นสองอว่างว่าเรียกว่านามรูปปริเฉลีย่างแยกรูปแยกนามรู้สึกไหมขาไม่เจ็บ ขาไม่มีเป็นเนะและขาเป็นวัตถุทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยขาไม่ใช่เราครับแต่ถ้ารู้สึกตัวได้เพิ่งมีจริงจิตก็ไม่ใช่เราสักยญติที่เกี่ยวขาตรงนั้นเลยนะเพราะงั้นรู้ลงไปขาไม่ใช่เราเห็นไหมเวทนาต้องอีกตัวนหนึ่งไม่ใช่ขาด้วะใช่ไหมจิตที่ไปรู้ขาจิตที่รู้เวทนาก็เป็นอีกตัวนหนึ่งใช่ไหมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันความรู้สึกอ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งด้วยไหมอันนี้ เป็นต้นว่ามันมันเมื่อยเฮ้ยไม่ดีเลยไม่ชอบพอไม่ชอบเกิดขึ้นนี่ยสังขารขันเนี่ยหรือดูลงไปเฮ้ยเมื่อยเป็นอันหนึ่งนี่นี่ก็สังขารขันนะเห็นสังขารขันฝ่ายดีกับฝ่ชั่วคือนขันอีกขันคือใจเราไม่ได้รู้เฉยๆใจเรามีการคิดนึกรุงแต่งต่อบพูดูออกไหมพอเห็นเมื่อยแล้วไม่ใช่เมื่อยเฉยๆแล้วบางทีเห็นเฮ้ยเมื่อยกับขานิโกราญกันนี่ ตรงนี้แตกนะเป็นอีกขันนึ่งแล้วใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่จิตจิตจะรู้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน <c oughs> ขันห้านี่จะกระจายตัวสังขวิญญากที่สังขารแหละสัญญาณ ต, ต, ต, ต้องไปดูนะสัญญาปล่อยไว้ก่อนนะดูเดี๋ยวสัญญาอี่ปรลาดันนีไปแล้วไหมเข้าใจที่อาจารย์มาบอกไีม <c oughs> เห็นไหมว่าวันวั น, วนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกตัวนิดเดียว <c oughs> เวลาส่วนใหญ่ของเราคือเวลาที่ไหลไนปะ นะเพราะั้นเราไม่มีใครรู้สึกตัวในโลกนี้หายากขนนียไหลอีกแล้วเห็นไหมขนาดตอนที่ไหลไปเนี่ยมันลืมกายลืมใจัปเลยเนี่ยไอทีเดียวลุดไปเลยไม่เอาอยาทำเติมนต่ยทำอยู่นิดนึงดูออกไหมช่วงใจอยู่หน่อยดูออกไหมเออ เปลี่ยนท้าก็ดูกรดีกเร็วนะคลายออกหน่อยนึงรู้สึกไหมแต่ไม่มหมดเหรอหันไปทีเดียวรู้ว่มันแข็งไว้ทั้งตัวรู้สึกสบายๆนะเดี๋ยว น, นี้ดีที่เยอะแล้วบุกนะอย่าเ ป, ป็นเฝ้าไม่ออกไม่กลับไปเฝ้าฝ่ยอย่างจะคิดีแล้วหลวงพ่อจะหันมาชมไม่ได้หันมาว่าเออพี่ติ๊กยังรอครับเออสนุกไมเอเ อ, เอ รู้สึกไหมว่าพอได้ยินว่าจะชมเนี่ยแข็งน้อยลงแต่ก็ยังแข็งอยู่ดูออกไหมดูให้ทันนะที่เราหลงอยู่เออดีแนละ้วดีที่รู้คุณพี่นิดใช่ไหมเ <Okay. S 2> ขาปีกบนกะแน่นี่อะไรมัไหมพนุสับสนเยอะมั้ย <c oughs> ต้องทำส ต, ติปัญฐานนะ คือพาเรารู้สึกตัวเป็นนะเนียไม่ว่าจิตของเราตั้งมืนนะ่อนมันมีตัวช่วยตัวช่วยก็คือการทําสติสปัฏฐานนะั่นเช่นเราเดินนะเวลาเดินจงกรมเนี่ยหันเดิรู้สึกตัวเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้ทุกประโยคเลยนะทิกสูตทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวเห็นไหมเิ่มต้นต้องรู้สึกตัวทิกสูตทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยในการพูดในการเบียดเหลี่ยมซ้ายและขวาก้มงอ ในการยืนเดินนั่งนอนให้เธอมีความรู้สึกตัวไว้กายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นไม่ได้ให้เข้าไปแกแ้งกายนะนกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเห็นไปด้วยความรู้สึกตัวก็จะเห็นในทันทีถ้าเมื่อไรเราเห็นกายเราเคลื่อนไหวพื่อเรามีความรู้สึกตัวเราจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่เรา กลาเป็นวัตถุ ก, ก้อนหนึ่งเปธาตุก้อนหนึ่งมาตั้งอยู่จะดูดสิบได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีความรู้สึกตัวมันจะเป็นตัวเราขึ้นมาใจนะไม่ตั้งมั่นเมื่อไหร่ก็ถูกความปรุงแต่งหลอกเราฉะนั้นอันแรกต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่ไหลไปไม่หลงไปพอหลงไปแล้วรีบรู้ไวๆห้ามขึ้นะรู้ขึ้นมารู้สึกรู้สึก เรียนอย่างนี้นะเรียนอย่างนี้ให้ได้แล้วก็มาฐานง่ายที่สุดเลยนะตรงนี้เรียกว่าจิตติดขาเรียนเรื่องว่าทำางไงจิตจะตั้งมั่นรู้สึกตัวพอ mm hmm. จิตเราตั้งมั่นแล้วถึงเวลาจเจริญปัญญามิตรเจริญปัญญาก็คือมีจิตที่ตั้งมั่นรู้ได้กายเคลื่อนไหวก็รู้ใจเคลื่อนไหวก็รู้เราจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา mm hmm. เป็นก้อนธาตุอันหนึง่งเป็นธรรมชาติบางอย่าง ที่เสลื่อนไหวไปมาก็เห็นอย่างนี้มากๆเสียสักยานทิฏฐิก็ขาดคือ <c oughs> ปฏิบัติทําก็แคท่ทำตรงตามเหมือนกันต้องรู้เป้าหมายนวะ่าจะเข้าโจมตีตรงจุดไหนของผู้ตอบรู้เราส่วนแรกที่ต้องทําลายคือสักยานทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกัะใจคือตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรา เราจะรู้กายรู an ้ใจของเราตามความเป็นจริงได้เราต้องไม่ใจลอยไม่เหม่อถ้าเหม่อไปรู้กายรู้ใจไม่ได้เราต้องไม่นั่งเเข่งเพราะนั่งเเข่งจะทําทให้กายกับใจผิดธรรมชาติผิดความจริงไม่นั่งเเข่งเอาไว้ทําให้กายกับใจผิดความจริงไม่ได้เห็นของจริง <S <S ไม่ใจลอยเพราะใจลอยแล้วรู้กายรู้ใจไม่ได้เ่ยถ้าเรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเราจะเห็นกายกับใจไม่ใช่ตัวเรากายนี่จะเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเรา แต่ใจนี่ต้องใช้เวลาเพราะใจเรานี้หลงผิดมานานอย่างเราเห็นกายเห็นคนตายเห็นอะไรนี่เราเห็นทุกหว่างเห็นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้แล้วต้องตายไม่ใช่เราอะใจนี่จิตใจนี่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราตลอดต้องใช้เวลาเข้ารู้เข้าดู